ดึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้คล่องแคล่ววิธี สั่งจิตสั่งใจทีแรกะมันต้องกาหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละก่อนอื่นเพราะว่าความคิดในจิตใจนี่มันวิ่งไปตามลมหายใจเข้าออกนี่ถ้าเราสกัดทางเดินมันแล้วมันจะหยุดคิดลงได้ถ้าหากว่าไม่มากาหนด เพ่งดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่จิตมันจะไม่หยุดคิดเลยนั่นในพากันเข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากหรือวิสัยอะไรการที่เรามาสำรวมจิตหรือว่าฝึกทำจิตให้สงบนี้ถ้าหาว่าเราทำถูกทางแล้วมันก็ง่ายขึ้น ไม่ใช่เรื่องรุ่งยากเท่าไรนักบางคนก็ติดพุ่งส้างอยู่ไปนยังไปบริกรรโน้นนี่นี้ไปมันก็ยิ่งไปใหญ่เรื่องมันนะอันคำบริกรรมนั้นสำหรับผูท้ที่นั่นงภาวนาเข้าไปมันไม่อยากคิดอะไรมีแต่จะตึมง่วง อย่างนั้นนั่นต้องบริกรรมพุโทโธปลุกใจให้มันตื่นอยู่เสมอจึงค่อยได้ <c oughs> ถ้าผู้ศรจิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกให้แน่วแน่พยายามตั้งสติํำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก นั่นะให้ทีเข้าไปเรื่อยๆอย่าให้เผล อ, อเมื่อใจมันอยู่แล้ววันนี้ก็อธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งจิร ล, ลึกของตนด้วยอำนาจความสัตว์ความจริงอันนี้เขอให้จิตข้าพระเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิขอให้มีปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเราอธิษฐานจิตลงไปอย่างนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็มีสติเพ่งความรู้สึกอันนั้นกับลมหายใจเข้าออกให้มันเนื่องกันอยู่หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้กำหนดรู้ลมเข้าลมออกอยู่อย่างนั้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็กำหนดจิตปล่อยวางความคิดความนึกต่างๆไม่คิดไม่นึกไปเรียกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราหยุดคิดหยุดทำงาน ทั้งทางกายและทางใจเราไม่ทำงานอะไรหมดทั้งส่วนภายนอกมนะีแต่งานภายในคืองานทำใจให้สงบแล้วก็งานรู้แจ้งในธรรมของจริงในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยก็ให้กำหนดเข้าไปในใจอย่างนี้ มันจึงไม่เผลอตัวส่งจิตใจไปข้างนอกไปคิดถึงเรื่องการเรื่องงานเรื่องได้เรื่องเสียอะไรที่เป็นอดีตร่วงมาแล้วถ้าว่าเราไม่อธิษฐานใจตรงอย่างนี้มันจะจะหวนคิดไปหาเรื่องอดีตที่ร่วงแล้วมานั่นเนก็ทำให้ใจสงบลงไม่ได้ เพราะฉะนั้นให้เพิ่งเข้าใจวิธีที่ทำใจให้สงบเบื้องต้นเนี่ยให้ดีถ้าหากว่าทำใจให้สงบไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเรื่องภาวนาจะเจริญปัญญาวิปัสสนาอนไดก็ไม่เห็นแจ้งก่อนที่จะเจริญปัญญาวิปัสสนาให้บังเกิดขึ้นได้ มันต้องทำใจนี้ให้สงบลงเป็นหนึ่งก่อนไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรก่อนเพียมจะมุ่งให้จิตมันสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของการฝึกฝนอบรมจิตในพระพุทธศาสน า, านี้ ตามธรรมดาคนเราเนี่จิตมันไม่ค่อยสงบอยู่แล้วเพราะจิตไม่สงบนี่เองแหละมันจึงเที่ยวไปเกาะไปคล้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้ยังไปหลงไหลสําคัญว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยเพียงจะได้รับความสุขความสบายเพียงระเล็กน้อยก็พ อ, อใจแล้ว ไม่ไม่ได้ใช้ปัญญาตรีตองดูว่าไอ้ความสุขความสบายที่คนได้รับนั่นแหะมันจะยั่งยืนไปถึงไหนความสุขที่อิงอาศัยชีวิตอันนี้เป็นอยู่นี่เมื่อชีวิตนี่มันมาลายหายสูญไปแล้วความสุขมันก็หมดไปตามกันไม่ใช่ว่ามันจะไปยั่งยืนอะไรอ่ะนั่นผู้มีปัญญาแล้วก็จะพิจารณาเห็น โทษแห่งความหลงความเข้าใจไม่ถูกต้องดังกล่าวมานี่คือเข้าใจว่าความสุขในโลกนี้นะจะเป็นที่อุ่นใจของตนเรื่อยไปนี่นะมันเข้าใจผิดไปวาความสุขในโลกนี้มันไม่ยั่งยืนอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หน่อยหนึ่งแล้วมันก็ดับไปแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทน อยู่อย่างนั้นมันจิตใจของคนเราที่ยังยิงอาศัยขันห้านี่อยู่ยังยึดมั่นถือมั่นในขันห่านี่อยู่มันก็ได้ประสบทั้งความสุขทั้งความทุกข์วนเปนกันไปอย่างนี้คราวใดขันห้ามันเป็นปกติโรคภัยไม่เบียดเบียนก็รู้สึกว่าเป็นสุขสบายไปช่วระยะหนึ่ง ขั้นต่อไปเมื่อขันห้านีมันแปรปรวนไปกระทบกระทั่งกับจิตอย่างแรงจิตก็ได้สวยทุกขเวทนาเมื่อขันห้าปกติเอาก็ไดปสวยทุกขเวทนาไปแต่แล้วผลสุดท้ายก็จะได้สวยแต่ทุกขเวทนาในเมื่อความตายมาถึง เนี่ยลองีิสูจดูความสุขที่อิงอาศัยชีวิตนี่นะมันไม่ยังยืนอะไรเลยจึงไม่เป็นสิ่งที่ควรนอนใจควรทำความเพียรทางจิตใจควรฝึกใจนี้ให้สงบอยู่โดยลาพังอย่าให้มันไปเกาะไปคล้องอยู่สิ่งภายนอกแล้วก็อย่าให้มันหลงไหลสำคัญว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวตน เมื่อมันอบรมใจให้สงบลงไปได้แล้วมาเจริญปัญญาสอนจิตนี่ไม่ให้มันหลงสำคัญผิดคิดว่ากันห้านี่เป็นตัวเป็นตนอสอนเข้าไปเรื่อยๆไปเมื่อปัญญามันสอนจิตเท่าไรเข้าไปมันก็ยิ่งรู้ยิ่งเข้าไปเท่านั้นแหละ ความรู้อั น, นี้มันก็อยิ่งขึ้นไปเจ็มกระจ่างขึ้นไปเรื่อยๆความรู้จริงตามเป็นจริงนี่นะแต่ก่อนมันยังรู้ไม่จริงมันยังเข้าใจผิดในธาตุสี่ขันหานี่อยู่มากมายแล้วก็ยังเข้าใจผิดต่อโลกภายนอกอีกดังนั้นเมื่อประสบกับคำสรรเสริญนินทาจิตใจมันถึงได้วันไว ไปด้วยความยินดียินร้ายต่างๆอันซึ่งเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์ก็ไม่รู้ตัวนี่นะดังนั้นนะอ่ะการฝึกฝนอารมณ์จิตนี่นะจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับผู้ที่เบื่อทุกข์ในวัตาสงสารนีนะ่จะต้อง พยายามค้นหาต้นตอของทุกข์ให้ได้ต้นตอที่ก่อให้เกิดทุกข์ไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในจิตใจนี่ต่างหากเมื่อจิตใจนี่ไม่รู้แจ้งในขันห่านี่ไปหลงยึดหลงถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่ตราบใจความทุกข์ทางใจมันก็ต้องมีอยู่อย่างนั้น มันจะไม่เบาบางลงได้เลยไอ้ความทุกข์ทางใจมันจะเบาบางลงได้ก็ต่อเมื่อจิตนั้นฉลาด ừ. รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงว่าขันห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาจริงจังอะไรเลยมันเห็น เห็นแจ้งจริงๆอ่ะเห็นแจ้งหมายความว่าเห็นรูปรัตนะอาการของขันห้ามันเป็นไปอย่างไรอ่ะมันก็เห็นชัดไปอย่างนั้นเมื่อเวลาที่มันยังไม่แตกไม่ดับนี่คล้ายๆกับว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนนะนั่นแหละบุคคลถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาเพ่งพินิจ ด, ดูอ่ถ้าใช้ปัญญาเพ่งพินิจ ด, ดูแล้ว จะเห็นได้ว่าขันห้านี่มันไม่ได้อยู่คงที่เลยมันจะต้องเสื่อมโทรมลงไปทีละน้อยละน้อยอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรที่จะคงที่อยู่ได้นะถ้าหากว่ามันไม่เสื่อมโทรมทีละน้อยละน้อยอย่างนั้นน ะ, ะในเมื่อเวลายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นั้นมันก็ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวมาจนอายุ ย่างเข้าสู่ปฐิมอวัยแล้ว50 60 ป, ปีมันก็คงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตามเดิมนะนี่แสดงว่ามันค่อยเสื่อมโทมมาทีละน้อยละน้อยโดยไม่รู้ตัวนะผู้ที่ไม่สังเกตให้ทีท่วนละความแก่ความชรามันบีบคั้นร่างกายนี้ให้สุดโทมเปลี่ยนแปลงมาทีละน้อยละน้อยไม่รู้ตัวอะไรสาคัญว่า แต่ตนนั้นยังหนุ่มอยู่ร่ำไปยังไม่แก่ก่อนคนเข้าใจผิดอ่ะเราเผื่อว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปมากนี้แล้วก็จึงได้ตื่นตัวว่าตนเป็นคนแก่ก็มีบางคนนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนหนุ่มจึงมักจะหลงเมาคึกขนอง ไม่ได้สนใจในเรื่องศีลธรรมไม่ได้สนใจในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองโดยสําคัญผิดคิดว่าตนมีกําลังแข็งแรงดีอะจะไม่เฒ่าแก่ง่ายจะไม่ตายง่ายอะไรทานองนี้นะมันทําให้คนหนุม่มคนสาวเพลิดเพลินคนที่เป็นอยู่ในวัยเด็กก็เหมือนกันเลยมันลึกไม่ได้เลย ดังนั้นในธรรมบรรยายนี่ก็ประสงค์ที่จะเตือนจิตของผู้ฟังทั้งหลายทั้งวัยเด็กวัยหนุม่มวัยสาววัยกลางคนก็ตามเนี่ยวัยแก่ก็เหมือนกันนะก็เพื่อให้มีสติสมบัทญยักทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายในจเจริญพระกรรมฐานดังที่บรรยายฟังมานั้นเพื่อ ให้ใจของตอนมันสงบอยู่ภายในเพราะกรรมฐานที่เจริญมันก็อยู่ภายในนี่เช่นลมหายใจเข้าออกนี่มันก็อยู่ภายในนี่อัญถาบริกรรมพุทโธอย่างนี้พุทโธก็ต้องให้อยู่ภายในจิตอย่าอย่าทงพุทโธออกไปข้างนอกนี่วิธีที่จะทําใจให้สงบลงได้่ มันก็มีอยู่แล้วนี่ต่างแต่ว่าคนไม่ได้เจริญเท่านั้นเองเไม่พอใจที่จะเจริญพระกรรมฐานเหล่านี้ใจก็สงบลงไม่ได้เมื่อใจสงบลงไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องตกเป็นภาสของตัณหาตัณหามันก็จูงใจให้คิดส่งออกไปแต่ภายนอกยินดีพอใจอยู่แต่ใน รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกหรือถ้าพูดอย่างแช่งๆงก็ตัณหามันก็กระชิดใจให้อยากได้เงินทองแเ้วเวนของมีค่าสารพัดในโลกนี้อยากเป็นผู้มีเกียรติมียศมีชื่อเสียงอยากให้มีคนสรรเสริญเยิ น, น, นยอให้ ม, มาก อยากให้มีอายุยืนยาวนานไม่อยากให้แก่เจิบตายง่ายๆนี่สัญหามันจะต้องจุงใจของคนผู้ที่มีใจไม่สงบให้ตกเป็นทาสของความอยากต่างๆเหล่านี้ไม่มีสิ้นสุดเลยเมื่อมีความอยากมากเท่าไหร่ ตรงใจให้คิดพุ่งไปภายนอกเท่าไรจิตนี่ก็ยังเป็นทุกข์อ่อนเพลียลงไปเลยอ่อนเพลียจริงๆนะคิดมากๆเพราะฉะนั้นขอให้รู้ตัวกันการที่เรามาทำความเพียไม่รู้อํานาจก่ตันหานี่ทวนกระแสตันหาคือทวนกระแสแห่งความอยากเข้ามาในปัจจุบันเนี่ย ไม่ให้ม็นส่งความอยากอันนี้ออกไปข้างนอกเลยมาระงับตันลงในปัจจุบันนี้ไว้ก่อนแต่ทั้งนี้และท้งนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ให้อยากได้อะไรเลยไม่ได้หมายอย่างนั้นหรอกแต่ทีแรกนี่เมื่อเมื่อเรายังบังคับจิตตัวเองไม่ได้นะก็ต้องหัดบังคับจิตก่อนอ่าหมายความว่าอย่างนั้น ถ้าบุคคลไม่หัดบังคับจิตตัวเองเนะี่ยมันจะต้องอยากไปทั้งทางดีและทางชั่วอ่าเจอทางชั่วมันก็อยากได้ชั่วไปเจอทางดีก็อยากดีไปมันไม่แน่นอนเลยอยมันเป็นอย่างนั้นเีย๋ยนี้พวกเรมาบังคับจิตของตนให้สงบลงได้แล้วอย่างนี้มันก็จะเลือกอยากนะบานี้นะอืม ความอยากอันใดที่มันไม่เป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษแล้วถึงบุคคลพวกนั้นจะอยากไปมันก็ไม่ไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่นำทุกข์มาให้เช่น <c oughs> อยากได้เงินได้ทองอย่างนี้เราก็อยากธรรมดาอยากได้เงินได้ทองมาเพื่อใช้สวยส่วนตัวหนึ่งแล้วก็เพื่อสละออก ให้เป็นประโยชน์แก่ตนรวมหนึ่งหรือเป็นประโยชน์ในโลกนี้หนึ่งเป็นประโยชน์ในโลกหน้าหนึ่งหรือเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหนึ่งการอยากได้เงินเมือ่ออยากได้ประกอบไปด้วยปัญญามีโครงการอันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะแล้วสเสวงหาเงินทองด้วยความหมั่นความขยัน เออได้มานี่มันก็ไม่มีโทษอะไรอ่ะมันเป็นอย่างนี้คน เ, เอยที่ว่าตกเป็นทาสของตัณหาะนะี่มันตกเป็นทาสตัณหามันจูงใจให้อยากได้สิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ไปตามมันอย่างนี้นะมันมันไม่สามารถจะยับยั้งใจจากความอยากอันนั้นได้นี่เรียกว่าใจไม่ได้อบรมอ่ะ พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าปัญหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เพราะเหตุว่ามันอยากไม่เลือกลังกล่าวมานั่นเลงบันนี้เมื่อบุคคลใดมาฝึกตัดเหตุนี้ให้สงบลงไปแล้วมันก็เลือกแล้วเลือกอยากแต่ในสิ่งที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเท่านั้นนอกกากอยากสมบัติภายนอกอย่างนั้นแล้ว ก็อยากได้สมบัติภายในคืออยากได้บุญได้กุศลอยากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อให้รู้ความจริงของชีวิตนี้ตามความเป็นจริงมีความอยากอย่างนี้นับว่าเป็นความอยากชั้นสูงเลยชั้นดีอ่อใครๆก็มีความอยากอย่างนี้เหมือนกันหมดสำหรับท่านที่พ้นทุกข์ภัยไปแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น พระองค์ก็อาศัยความอยากอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นดังกล่าวมานี่แหละเป็นเครื่องดําเนินชีวิตมาในสงสารสร้างพระบา ร, รมีมาแม้พระสาวกบริษัทที่สดติสอยห้อยตามพระองค์มาก็เหมือนกันอาศัยความอยากดังกล่าวมานี้เองนะแต่ความอยากแค่นนะี้มันต้องผ่านการฝึกจิตใจให้สงบมาก่อน วางคับจิตใจมเมื่อตัณหาชนิตทมันอยากไปในทางบาป ก, กรรมมากระชับจิตใจใจที่มีปัญญามันก็ไม่ไปตามความอยากนั้นตัณหามันอยากให้ข่าสัตว์อยากให้ลักทรัพย์อยากให้ประพฤติผิดในกรม อยากให้กล่าวมุสาวาทพูดเท็จพูดสอเทียดหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิดไปต่างนี้นะตัณหามันอยากดื่มเลาสุราเมรยัยกันชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างหมู่เนี้ยตัณหาหมูเนี้ยมันจะครอบงมจิตใจของบุคคลผู้ฝึกฝน ใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปเนี่ยในบุญในคุณแล้วไม่ได้เลยตัณหาเหล่านี้มันจะครอบงำจิตใจของบุคคลผู้ไม่ฝึกจิตใจให้สงบดังกล่าวมานั้นได้จริงๆเลยอะจะต้องตกเป็นทาสของตัณหาดังกล่าวมานี่แหละดังนั้นบางคนนะ่ะเมื่อพระท่านแนะนําให้ละตัณหาเหล่านี้แล้ว สายหัวอะไรละไม่ได้เพราะมันจำเป็นนะถ้าไปลาตัหาความอยากดังกล่าวมานี้ก็ไม่ต้องคิ้นอะไรเข้าใจไปอย่างนั้นก็จะต้องทุกข์ยากลำบากแน่นอนทีเดียวนั่นเป็นความเข้าใจผิดขนับเลยเข้าใจอย่างนั้นู้ไดเร็่ความอยากดังกล่าวมานี้ได้ ผู้ น, นัน่ะยิ่งจ ะ, จะเจริญลุกเรืองด้วยลาบยดสนเสริญความสุขกายสบายใจทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าแน่นอนเลยทีเดียวอ่ะเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่เบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะมันก็ไม่มีคำเวรตามสนองเกิดไปชาติหน้า ก็มีอายุยืนยาวนานปราศ จ, จากโกครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่ถ้าบุคคลไม่เเบียดเบียนทรัพย์สมบัติสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนโดยทางทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างนี้นะตนเกิดไปชาติใดมีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรมาก็ไม่มีใครมาเบียดบังเอามา ข้อโกงหลอกลวงเอาหรือมาชี้มาปล้นเอานี่ก็ด้วยอานิสงส์ที่ในปัจจุบันนี้ผู้นั้นไม่ไปเบียนเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนในทางทุจริตตนสเสวงหาได้มากน้อยเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอานิสงส์เหล่านี้แหละมันติดตามไปอืม อ, อำนวยผลให้หรือติดตามไป รักษาทรัพย์สมบัติของบุคคลผู้นั้นไว้ไม่ให้สูญเสียไปโดยทางที่ไม่ควรจะเสียมีผัวมีเมียมาอย่างนี้ผัวเมียก็ซื่อสัตย์สุวจริตต่อกันในเมื่อได้เว้นได้ทำรวมในสีนข้อนี้น ะ, ะนั่นเลยเราไม่คิดคด เล่นทู่จากหัวเล่นผู่จากเมียก็จะอยู่เย็นเป็นถูกสบายถ้าว่ายัางละสัญหาประเภทเหล่านี้ไม่ได้ก็ยังมีคู่ครองสองประการอยู่ก็จะเป็นไปโดยความราบรื่นอนไม่ได้แตกแยกสามัคคีกันเลยเม้ยได้ลูกได้เต่ามาเหมอกันลูกเต่าเกาะไม่โลเล ประพฤติผิดในการให้พ่อแม่ได้เป็นทุกข์ได้เศร้าใจตาม <c oughs> และเมื่อบุคคลได้รักษาวาจาของตนให้ดีหัดกล่าวแต่วาจาที่เป็นสัตว์เป็นธรรมเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นวาจาอันใดที่พูดไปแล้วมันทำให้ผู้อื่นเจ็บอกเจ็บใจก็ไม่พูดไม่ทำ พูดไปแล้วทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์เสียสินก็ไม่พูดพูดไปแล้วทำให้คนอื่นทะเลาะวิวาดกันก็ไม่พูดอย่างนี้แหละการกล่าววาจาดีงามนี่มันก็เกี่ยวกับการฝึกนะเกี่ยวกับ ส, สติธรรมะเสยงด้วยบางคนนะ่ะสติอ่อนแอเหลวไหล เมื่อจะพูดอะไรออกไปก็ระลึกไม่ได้พูดไปตามอำนาจของกิเลสมันก็มักจะเป็นคำพูดที่ผิดลาดไปเรื่อยๆไปกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ทันได้คิดใส่ละเอียดสี่ท้วนอะไรแล้วก็พูดออกไปเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้พากันสารวมระวังการกล่าววาจานี้ให้มั่งมากเลยทีเดียว พระวาจานี่เป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีนี่พูดถึงคุณค่าของวาจานี่นักปราชญ์ท่านยกให้เป็นเอกเลยวะเดียวนี่เป็นเอกในที่นี้ยถ้าว่าพูดชั่วอย่างเนี้ยมันก็เป็นเอกไปในทางชั่วนะถ้าพูดดีก็เป็นเอกไปในทางดีอ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา นี่คำโครงข่านกล่าวไว้อะอย่าไปเข้าใจว่าไม่สำคัญเนอการวาจาคำพูดนี่นะสำคัญมากทีเดียวอะเพราะมันสอดออกมาจากรูงจิตนู้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตหล่อหลี้ยวไหลแล้วแน่นอนเลยวาจา ก, ก็เลี้วไหลพูดออกไปไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นประโยชน์มกักจะเป็นแต่โทษ บางคนเรียกว่าเมื่อมันขาดสติสมบัติ ญ, ญ, ญาแล้วตนพูดผิดออกไปแล้วไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวอะไรต้างการว่าตนพูดถูกอยู่ร่ำไปอย่างนี้นะเัื่องนั้นแหละการฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นนี่นะมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปได้ดีแล้วจะพูดอะไรออกไปมันก็ต้องวินิจฉัยได้นะมันทวีนาได้ทันที ควรหรือไม่ควรอย่างนี้นะเออมันก็รู้ได้เพราะมันรู้ได้ว่ามันไม่ควรอย่างนี้มันก็งดเลยไม่พูดแล้วถ้าเห็นว่าควรพูดออกไปี่มีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่นียพูดออกไปมันก็ได้ประโยชน์จริงเอ่ยได้มันใครควรก่อนแล้วนี่ิ่งก็พูดออกไป เ, เมื่อเป็นเช่นนี้นะอานิสงส์แห่งคำพูด ที่เราระมัดระวังพูดแต่ในทางที่เป็นประโยชน์เกิดไปชาติใดก็มีวาจ า, าอันไพเราะอ่อนหวานมีวาจาที่มีอนุภาพสามารถจูงใจให้ผู้ฟังนั้นได้ทำตามได้เรื่อมใช้ยินดีในคำพูดอันนั้นได้นี่อเนสงที่เราสำรวมวาจานะ ถ้าไม่สำรวมก็กลงกันข้ามเลยเกิดปายชาติใดจะพูดอะไรให้ใครฟังคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อแม้จะพูดดีเขาก็ยังมองเห็นว่าเป็นทั่วไปเพราะบาปกรรมที่ตนทําในปัจจุบันเนี่ยมันไปอำนวยผลให้เป็นความจริงนะบางคนนะพูดดีมัานมีคนตำหนสี่เตียอก็มีอย่างนี้แหละ บางทีผู้นั้นพูดดีอยู่แต่คนฟังมันไม่ชอบใจตะเลงใจเลยถ้าผูใ้ใดปรากฏว่าเป็นอย่างนี้นะ้วก็ให้นึกถึงกรรมเวรตัวเองไม่ต้องไปโกรธคนอื่นหรอกเออนี่เราต้องได้มีกรรมเวรเราต้องพูดไม่ดีมาตน้งตก่อนนูนอย่างนี้เพาะเพราะฉะนั้นมาช้านี้เราพูดดียังไงเขาก็ไม่เชื่อไม่ทำตามหรือยังลังเกียดอีกครับ ก็ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้แล้วก็สบายดีไม่เดือดร้อนหรอกอดังนั้นเมื่อพูดมาโดยลา ด, ดับนี่ก็จะเห็นได้ว่าการสุดผลจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญขนาดไหน呀เพราะว่าอะไรอะไรมันก็เกิดจากจิตใจนี่หมดเลยเหแห่งทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดจากใจนี่เหแห่งความสุขทั้งหลาย มันก็เกิดจากใจตรงนี้อืเมื่อใจตรงนี้มีความเข้าใจผิดเสห็นผิดแล้วคิดอะไรมันก็คิดไปในทางผิดอะเห็นอะไรก็เห็นไปในทางผิดเมื่อมันเห็นผิดมันก็ใช้กายวาจาทําผิดพูดผิดไปจากคานองของธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะถ้าใจตรงนี้มันเห็นถูก มันรู้ถูกแรกอยางนี้มันก็ใช่กายทำใช่วาจาพูดแต่ในทางที่ถูกต้องตรงต่อทิ้นต่อธรรมต่อคำสอนของพระพุทธไชยเจ้า